เจราญพลท่า น, นาาาผู้มีจิตเมตตากรุณาใจบุญใจูุศลทุกๆ ท, ท, ท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่ส2องอรักาดาของพุทธศักราชส5 5พเป็นวันที่ท่านทัหลายได้ตั้งใจมาวดัดเพื่อมาทำบุญมา ปฏิบัติตามคำสอนของ พ, พุทธเจ้าเพื่อความสุขและความเจริญที่พระพุทธศาสนาสอนให้เราเจริญกันเพราะความสุขความเจริญในโลกนี้มีสอชนิดด้วยกันชนิดชั่วคราวและชนิดถาวรชนิดชั่วคราวก็คือ ความสุขความเจริญที่เราไม่สามารถเอาติดไปกับเราได้หลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วเช่นทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองต่างๆมือฐานะต่างๆยศถาบรรดาศักดิ์ไม่ว่าจะเป็นนายุคลัทมนตีปรธานาธิบดีพระราชามหากษศัตร์ พอตายไปแล้วก็ไม่สามารถเอาสถานภาพเหล่านี้ติดตัวไปได้เราจะเรียกว่าเป็นความสุขความเจริญเพียงชั่วคราวชั่วขณะที่ร่างกายนี้ยังมีชีวิตอยู่ส่วนความสุขความเจริญอีกแบบหนึ่งนี้เป็นความสุขความเจริญที่เราสามารถเอาไปกับเราได้ หลังจากที่เราตายไปแล้วนั่นก็คือความสุขใจและความเจริญของจิตใจเช่นจิตใจสามารถพัฒนาจากการเป็นมนุษย์ให้ขึ้นไปเป็นเทวดาเป็นอินเป็นพรหมเป็นพระอริยเจ้าเป็นพระอาหารหันต์เป็นพระพุทธเจ้าได้นี่คือความเจริญที่พระพุทธเจ้าทรงสอน ให้พวกเราให้ความสำคัญกว่าความสุขความเจริญทางร่างกายที่เป็นความสุขความเจริญชั่วคราวแต่ก็ไม่ปฏิเสธคือก็ควรที่จะมีความสุขในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ด้วยและควรจะเอาความสุขและความเจริญที่เราสามารถเอาติดตัวไปกับเราด้วย Abei, เราก็จะได้กำไรทั้งสองส่วนความสุขชั่วคราวเราก็มีความสุขที่เราจะเอาติดตัวไปได้เราก็มีอย่างนี้เราก็จะไปอย่างสุขอย่างสบายเหตุของความสุขทั้งสองชนิดนี้ก็มีเหตุต่างกันพอเป็นเหมือนต้นน้ำต้นไม้ต่างชนิดกัน ต้นกล้วยกับต้นมะละกอนี้ต้องใช้เมล็ดต่างกันปลูกกล้วยก็ต้องใช้เมล็ดของกล้วยถึงจะได้ต้นกล้วยปลูกมะละกอก็ต้องใช้เมล็ดของมะละกอถึงจะได้ลูกมะละกอได้ต้นมะละกอฉันใดความสุขชั่วคราวก็มีเหตุที่ตามจากความสุขที่ถาวรวันนี้เราจะมาเรียนรู้ความสุข เหตุที่จะทำให้เกิดความสุขทั้งสองชนิดดังที่พระพุทธเจ้าได้ทรงจัดสอนไว้ดังนี้คือเหตุที่จะให้เรามีความสุขชั่วคราวแต่เป็นความสุขที่เราไม่สามารถเอาติดตัวไปได้ก็คือ 1. การดีซั์หรือการได้ซั์มาอันนี้จะทำให้เรามีความสุข 2. การได้ใช้ทรัพย์ที่เรามีหรือได้มาก็จะทำให้เรามีความสุข 3. การไม่มีหนี้ก็จะทำให้เรามีความสุขและ 4. การกระทำที่ไม่เกิดโทษนี่คือเหตุที่จะทำให้เรามีความสุขในโลกนี้แต่ความสุขนี้เราไม่สามารถ เอาไปกับเราได้การมีทรัพย์หรือการได้ทรัพย์นี้ก็เกิดขึ้นได้หลายวิธีด้วยกันวิธีหนึ่งก็มีความขยันหมั่นเพียรทำมาหากินด้วยอาชีพที่สุจริญเราก็จะได้ทรัพย์มาใช้ประโยชน์กับเราได้หรือถ้าเป็นผลบุญที่เราเคยทำไว้ในอดีต เวลาเรามาเกิดเราก็จะเกิดกับครอบครัวที่มีฐานะการเงินการทองดีเราก็ไม่ต้องไปหาทรัพย์เพราะได้ทรัพย์จากบิดามารดาเลยอันนี้เรียกว่าเป็นผลบุญที่ได้ทำไว้ในอดีตชาติมาเกิดจึงได้มีทรัพย์ไม่ต้องหาทรัพย์ แต่ต้องรู้จักวิธีรักษาทรัพย์ไว้ต่อไปก็ต้องมีการศึกษาหาวิชาความรู้เพื่อที่จะได้รู้ว่ามีเหตุใดที่จะทำลายทรัพสมบัติเข้าของเงินทองไปมีเหตุอันใดที่จะรักษาทรัพสมบัติเข้าของเงินทองไวเหตุที่จะทำลายทรัพสมบัติ ก็คือการใช้เงินแบบไม่มีเหตุไม่มีผลใช้ไปตามความอยากและใช้ไปกับอบายยมุขต่างๆเช่นการเล่นการพนันการเที่ยวกลางคืนการเสพสุบายามาการใช้เงินทองแบบนี้จะไม่ได้ทำให้เกิดเงินทองพอกูนขึ้นมาแต่จะทำให้เงินทองนี้ยพดน้อยลงไปเรื่อยๆ ดังนั้นการที่เราจะมีความสุขนั้นจากการมีทรัพย์เรือได้ทรัพย์เราต้องรู้จักวิธีหาทรัพย์การหาทรัพย์ก็ต้องหาด้วยวิธีที่สุดเจริญไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีดลธรรมเพราะจะทําให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาถ้าไปทําบาปหรือไปทําผิดกฎหมายเราต้องพยายามหาทรัพย์ด้วยอาชีพที่สุดเจริญ ไปเรียนหนังสือหาวิชาความรู้พอจบเราก็สามารถที่จะไปสมัครงานทำงานกับบริษัทต่างๆได้ก็จะมีทรัพย์นี่คือข้อแรกความสุขที่เกิดจากการมีทรัพย์ข้อที่สองก็คือการความสุขที่เกิดจากการใช้ทรัพย์ที่ให้เกิดคุณเกิดประโยชน์กับชีวิตจิตใจของเราชีวิตของเราก็คือร่างกาย ที่ต้องการปัจจัยสี่เช่นที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่หงห่มยารักษาโรคและอาหารถ้าเราใช้ทรัพย์ซื้อปัจจัยสี่ก็จะทำให้เรามีความสุขเพราะทาให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากความหิวปราศจากโกาครคภัยไข้เจ็บต่างๆนี่คือการใช้ทรัพย์ที่ทำให้เกิดความสุข การใช้ทรัพย์ที่จะทำให้เกิดความทุกข์ก็คือการเอาไปใช้กับพวกอบายามุขต่างๆเอาไปดื่มสุรายาเมาไปเล่นการพนันไปเที่ยวกลางคืนวิธีนี้เป็นการใช้ทรัพย์ที่ไม่เกิดคุณเกิดประโยชน์และจะทำให้ร่างกายนี้สุดโสรมได้คนที่ดื่มสุรายาเมาเป็นอาชิม คนที่เที่ยวกับคืนนี้ร่างกายจะทรุดโทรมได้ง่ายอายุจะไม่ยืนยาวนานดังนั้นไม่ควรที่จะใช้ทรัพย์ที่จะมาสร้างความทุกข์ให้กับเราควรจะใช้ทรัพย์เพื่อให้มาสร้างประโยชน์สร้างความสุขให้กับเราก็ต้องหลีกเลี่ยงการใช้ทรัพย์ที่เป็นโทษคืออย่าไปใช้กับพวกอบายามุขต่างๆนั่นเอง แล้วเราจะมีความสุขข้อที่สาก็คือการไม่มีหนี้การมีหนี้นี้จะทำให้เราทุกข์ใจเพราะเราจะต้องกังวลที่ว่าจะต้องคอยหาเงินหาทองมาใช้หนี้แล้วถ้าเราใช้หนี้ไม่ได้เราก็จะเดือดร้อนเพราะเจ้าหนี้เขาจะต้องมาทวงแล้วเขาก็จะต้องมายึดทรัพย์สมบัติ ข้าวของต่างๆที่เรามีอยู่ไปเราก็จะลำบากได้วิธีที่จะทำไม่ให้เกิดนี่ก็คือต้องมีความมักน้อยสันโดย์นักน้อยก็คือไม่ต้องการมากต้องการเท่าที่จำเป็นก็พอเช่นเสื้อผ้ามีสักสี่ห้าชุดก็พอมีไว้ใส่มีไว้ซักมีไว้เก็บสำรองเท่านี้ก็พอแล้ว หน้าที่ของเสื้อผ้าก็มีไว้รักษาร่างกายของเรามีมากไปกว่านี้ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะจะเก็บไว้ในตู้บางทีไม่ได้ใช้เป็นเดือนเป็นปีก็มีเสียเงินเสียทองไปเปล่าๆเช่นเดียวกับของอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นกระเป๋ารองเท้าเครื่องใช้ไม้สอยอะไรต่างๆถ้าไม่มีความจำเป็นจะต้องมีอย่าไปมีดีกว่า เก็บเงินเก็บทองเอาไว้สำหรับใช้ในเรื่องที่จำเป็นเพราะเราไม่รู้ว่าข้างหน้าจะเป็นอย่างไรบ้างเราอาจจะตกงานตกการรายได้ขาดหรือไม่สบายเจ็บไข้ได้ป่วยต้องใช้เงินทองรักษาโรคภัยไข้เจ็บถ้าเราไม่มีเงินทองสำรองไว้เราก็จะต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาใช้ กูนี่นี่ก็ต้องเสียดอกเบี้ยอีกถ้าเราเก็บเงินไว้เราได้ดอกเบี้ยด้วยแทนที่เงินจะหดเงินกลับจะงอกเวลาไปกูนี่นี่ต้องเสียสองต่อเสียต้นกับเสียดอกถ้าถ้าเรามีความมากน้อยเราจะไม่มีปัญหากับการขาดเงินขาดทองเพราะเราจะมีน้อยน้อยมีเท่าที่จำเป็นแล้วก็ไม่ต้องมีของแพงแพงเสื้อผ้าชุดละหมื่นกับ เสื้อผ้าชุดละพันก็ทำหน้าที่ได้เหมือนกันคือปกปิดปกปิดอวัยวะป้องกัน ร, รักษาร่างกายไม่ให้ถูกมแมลงสัตว์กัดต่อยไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วย ช, ชุดละหมื่นก็ทำหน้าที่เหมือนกันชุดละพันก็ทำหน้าที่เหมือนกันพระพุทธเจ้าสอนให้พระมีผ้าเพียงสามผืนก็พอให้ถือผ้าไตาจีวรพอแล้ว ผ้านุ่งหนุนผืนผ้าห่มหนุนผืนผ้าห่มกันหนาวหนุนผืนเท่านี้ก็อยู่ได้แล้วนี่คือความมักน้อยอย่าดิ้นรนทะเยอทะยานถ้าเราไม่มีปัญญาถ้าเรามีก็อีกเรื่องหนึ่งถ้าเราเกิดมาเป็นลูกเศรษฐีมีเงินใช้ไปสิบชาติก็ไม่หมดอย่างนี้จะซื้อเสื้อผ้ากี่ชุดก็ไม่มีปัญหาอะไระเราต้องรู้จักฐานะของเรา คืออย่าไปสร้างนี่เป็นอันขาเพราะเป็นการสร้างการสร้างนี่จะเป็นความทุกข์เวลาทุกข์ความสุขก็จะไม่มีถ้าไม่มีนี่ก็จะไม่มีความทุกข์ไม่มีความทุกข์ก็จะมีความสุขดังนั้นเราต้องหัดนิดสัยมักน้อยสันโดษยินดีเท่าที่จําเป็นของฟุ่มเฟยไม่เอาของหรูหราไม่เอาไม่เกิดประโยชน์อะไร เป็นความสุขเดียวเดียวเท่านั้นเองสุขตอนที่เราได้มาพอได้มาแล้วมันก็หมดความหมายไปแล้วมันก็อยากจะได้ของใหม่ขึ้นมาอยู่เรื่อยๆมีเงินเท่าไหร่ก็จะไม่พอใช้แต่ถ้าเรามีความมักน้อยใช้เหตุใช้ผลถ้าเราอยากได้อะไรเราก็ดูว่าของที่เรามีอยู่ยังใช้ได้หรือเปล่าถ้าใช้ได้ก็อย่าไปเอามาเก็บเงินเอาไว้ดีกว่า เงินนี้ใช้ได้แต่ของที่ซื้อมาแล้วเอาไปใช้ไม่ได้ของที่ซื้อมาแล้วถ้าไปขายก็ได้ราคาไม่มากได้ร้อยละสิบจากราคาที่เราซื้อมาแต่ถ้าเราเก็บเงินไว้เราได้มากกว่าร้อยร้อยเพราะเงินที่เราเก็บมันจะมีดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นมาอีกนี่คือความนักน้อยจะทำให้เราเก็บเงินได้จะทำให้เรามีเงินเหลือ จะทำให้เราไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินนี่ก็คือความสุขอย่างหนึ่งเรียกว่าความสุขที่เกิดจากการไม่มีหนี้สินข้อที่4ความสุขที่เกิดจากการกระทาที่ไม่เกิดโทษการกระทาที่เกิดโทษก็จะทำให้เราต้องทุกข์นั่นเองถ้าเราไปทำผิดกฎหมายเราก็ต้องคอยหลบเจ้าหน้าที่ตำรวจ หลบไม่ได้ก็ต้องถูกจับเข้าไปลงโทษขําคุกขังตารางการกระทําที่เป็นโทษไม่ไม่ทำให้เกิดความสุขนั้นเราต้องศึกษากฎหมายให้รู้ว่าการกระทําอย่างไรที่ทำแล้วไม่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับไปขําคุกขําตารางก็มีการฆ่าเน่การลักทรัพย์เน่การโกหกหลอกลวงช่อฉุน เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายที่เราไม่ควรกระทำกันและการดื่มสุรายาเมาก็ไม่ควรจะดืม่มเพราะดื่มแล้วเวลาไปขับขี่ยานยนต์ก็จะทำให้เกิดอุบัติเหตุทำให้เกิดความเสียหายทางทรัพย์สินและทางชีวิตทั้งของผู้อื่นและของตนเองได้นี่คือการกระทำที่เป็นโทษที่พระเจ้าทรงสอนให้เราอย่าไปกระทำกัน อย่าไปเล่นการพนันอันนี้ก็เป็นโทษเพราะจะหมดเนื้อหมดตัวมีคำพูดว่าคำวัย ข, ขึ้นบ้านมันก็เอาเพียงแต่ของไปบ้านยังมีอยู่ถ้าไฟไหม้บ้านมันก็ไม่เพียงแต่บ้านแต่ที่ดินยังมีอยู่แต่ถ้าเล่นการพนันนี่มันเอาไปหมดเลยไม่มีเงินเล่นก็ขายสมบัติขายสมบัติหมดก็ขายบ้าน ขายบ้านหมดก็ขายที่ขายไปจนกระทั่งเล่นหมดเนะื้อหมดตัวแล้วดีไม่ดีอาจจะต้องขายชีวิตด้วยพเพราะไปกู้นี่ยืมสินเขามาเล่นพอไม่มีเงินให้เขาเขาก็จะมาทวงถ้าไม่มีให้เขาถ้าเป็ น, ปนอันธพาลก็จะถูกเขาฆ่าได้นี่คือความอันตรายของการเล่นการกนั้นให้เรารู้ว่ามันเป็นโทษ เป็นการการกระทาที่จะทำให้เกิดโทษอย่าทำมันแล้วชีวิตเราจะมีแต่ความสุขนี่คือความสุขชั่วข่าวสี่ชนิดด้วยกันที่เราควรที่จะศึกษาและพยายามปฏิบัติให้ได้แล้วชีวิตของเราไม่มีโทษไม่มีทุกข์ตามมาจะมีแต่ความสุขก็คือหนึ่งการมีทรัพย์หรือได้ทรัพย์มาด้วยวิธีที่สุจริต สองการใช้ใช้ทรัพย์ด้วยเหตุด้วยผลสามการไม่มีหนี้และสี่การไม่มีการกระทาที่เกิดโทษนี่คือเหตุที่จะทำให้เรามีความสุขในขณะที่ร่างกายของเรายังมีชีวิตอยู่แตห่หลังจากที่ร่างกายเราตายไปแล้วความสุขเหล่านี้เราไม่สามารถเอาติดตัวไปได้ พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พวกเรามาสร้างความสุขที่เราเอาติดตัวไปได้ก็คือความสุขที่เกิดจากการทำบุญความสุขที่เกิดจากการละบาปความสุขที่เกิดจากการชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์อันนี้จะเป็นความสุขความเจริญที่เราจะเอาติดไปกับใจของเราได้หลังจากที่ร่างกายตายไปแล้ว อย่างที่ญาติโยมมานี้มาทำกันมา น, นี้ญาติโยมมาสร้างความสุขที่จะเอาติดไปกับใจต่อไปได้ทำบุญทำทานรักษาศีลฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติธรรมชำระติเลตันหาความโลภความโกรธความหลงให้เบาบางลงไปและให้หมดไปถ้าเราสามารถปฏิบัติตามที่พุทธเจ้าทรงสั่งสอนได้ จิตใจของเราจะมีความสุขมากขึ้นและจะพัฒนาสูงขึ้นจากการเป็นมนุษย์ก็ได้ไปเป็นเทพจากเทพก็ได้เป็นพรหมจากพรหมก็ได้เป็นพระอริยะเจ้าคือเป็นพระโสดาบันพระสัตติดาคามีพระอนาคามีและพระอรหันหรือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพระอรหันท่านก็ ปฏิบัติแบบนี้ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะเป็นพระพุทธเจ้าได้ท่านก็ต้องทําบุญทำทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมศึกษาธรรมะจากผู้รู้ต่างๆจนไม่มีใครจะสามารถรู้หรือสอนสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงอยากรู้ได้พระองค์เลยต้องศึกษาด้วยพระองค์เองและสอนพระองค์เองจนในที่สุดก็ได้พบกับ สิ่งที่พระ อ, องค์ทรงปรารถนาคือการหลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายพอหลังจากที่พระ อ, องค์ได้ทรงหลุดพ้นแล้วพระ อ, องค์ก็ทรงเอาความรู้อันนี้มาเผยแผ่ให้แก่สัตว์โลกผู้ที่ไม่รู้ผู้ที่มีความปรารถนาที่อยากจะหลุดออกจากการเกิดแก่เจ็บตายเพราะการเกิดแก่เจ็บตายนี้มันเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุข สุกก็ไม่มากเวลาเจอความแก่แล้วถึงจะรู้ว่ามันเป็นอย่างไรเวลาเจอความเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วถึงจะรู้ว่าเป็นอย่างไรเวลาเจอความตายถึงจะรู้ว่าความทุกข์เป็นอย่างไรดังนั้นอย่าหลงไหลกับการได้มาเกิดให้เราเหมั่นพิจารณาสองใจเราอยู่เรื่อยๆว่าเราเกิดมาแล้วจะต้องแก่จะต้องเจ็บจะต้องตาย ถ้าเราคิดบ่อยๆจะทําให้เราเกิดความกลัวความเกิดขึ้นมาแล้วก็จะทําให้เราสนใจที่จะศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้าเพราะถ้าเราได้ศึกษาเราจะได้รู้จักวิธีที่จะทําให้เราไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปนี่คือความสุขและความเจริญที่เราควรที่จะ สร้างกันขึ้นมาอย่าสร้างเพียงแต่ความสุขชั่วคราวต้องสร้างความสุขที่ถาวรเพราะความสุขที่ถาวร น, นี้มีประโยชน์มากกว่าเพราะจะเป็นของเราไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดอย่างที่พระพุทธเจ้าได้เป็นสมบัติที่พระพุทธเจ้าได้รับก็คือพระนิพพานพระนิพพานนี้ก็คือการไม่ต้องกลับมาเกิด การอยู่ในสถานที่ที่มีแต่ความสุขที่ยิ่งใหญ่เรียกได้ว่าบรลมะสุขเป็นความสุขที่ไม่มีวันหมดไม่มีวันสิ้นไม่เหมือนกับความสุขที่เราได้จากราบยศสรรเสริญที่ต่อไปจะต้องมีวันหมดไปนี่คือความสุขสองแบบด้วยกันที่มีอยู่ในโลกนี้ที่เราควรที่จะหา โดยเฉพาะความสุขที่ถาวรถ้าอยากจะได้ความสุขที่ถาวรมากๆเราก็จะต้องสละการหาความสุขที่ชั่วคราวไปอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบําเพ็ญมาทรงสละความสุขที่ได้จากการเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะเป็นพระราชกุมารสละราชสมบัติสละภรรยาสละลูก แล้วก็ออกไปบำเพ็ญอยู่ในป่าในเขาทำให้พระองค์ได้ความสุขที่ถาวรเต็มเต็มที่เลยถ้าเรายังต้องการหาความสุขชั่วคราวอยู่เราจะไม่สามารถหาความสุขที่ถาวรได้เต็มที่เพราะเราจะต้องแบ่งเวลาเหมือนกับการทำงานสองที่เราก็จะได้ไม่ได้ผลเต็มร้อยทั้งสองที่ ได้อย่างห้าสิบห้าสิถ้าเราอยากจะได้ผลเต็มร้อยเราก็ต้องเลือกเอาที่ใดที่หนึ่งเลยถ้าอยากจะเอาความสุขทางโลกก็รวยมันไปเลยเป็นนายกเป็นมหาจักรพรรดิไปเลยถ้าอยากจะเป็นพระอาหารหันต์เป็นพระพุทธเจ้าก็ต้องออกบุตรเลยแล้วก็จะได้ความสุขเป็นที่อย่างพระพุทธเจ้านี้ตอนที่ประสูตรก็มีการพยากรณ์ไว้แล้วว่า พระ อ, องค์มีทางไปได้สองทางถ้าอยู่ทางโลกก็จะได้เป็นพระมหาจักรพรรดิถ้าออกบวชก็จะได้เป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงตัดสินเลือกทางเป็นพระพุทธเจ้าดีกว่าเพราะทรงเห็นว่ามันเป็นผลที่ถาวรการเป็นพระพุทธเจ้านี้เป็นถาวรตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่แต่ถ้าเป็นมหาจักรพรรดิ ก็เป็นชั่วคราวชั่วขณะที่มีชีวิตอยู่พอตายไปก็จบนี่คือความฉลาดของพระพุทธเจ้าที่ทรงเห็นว่าความสุขทางใจความเจริญของจิตใจนี้เป็นความสุขความเจริญที่แท้จริงพระองค์จึงสะละราชสมบัติแล้วก็ออกบวชและปฏิบัติจนในที่สุดก็ได้ตัดสรุปเป็นพระพุทธเจ้า เป็นที่พึ่งของสามโลกอย่างพวกเราทั้งหลายพวกเราก็ควรที่จะเอาพ่อพุทธเจ้าเป็นเยี่ยมอย่างดังที่เราได้กล่าววาจากัรไว้ว่าพุทธังสรณนังกฉามิความหมายก็คือเราจะเอาแบบฉบับของพรอพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างในการดำเนินชีวิตของพวกเรานั่นเองจึงขอฝากเรื่องของการมาศึกษา เหตุของความสุขทั้งสองชนิดนี้คือความสุขชั่วคราวและความสุขถาวรให้ท่านได้นำเอาไปพิิจารณาและปฏิบัติเพื่อความล่มเย็นเป็นสุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระสีรัตะนาจย